วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่6พุทธจิกายุนพุทธศักราช2565เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีจิตฝ่ายธรรมทุกท่านได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของความสุข ว่าความสุขงั้นมีกี่ชนิดและอยู่ที่ไหนเพื่อที่จะได้เลือกความสุขที่ที่ถูกต้องที่แท้จริงเพราะความจริงของโลกนี้มีความสุขอยู่สองชนิดด้วยกันคือความสุขกรอง ับความสุขแท้ความสุขปลอมนั้นคืออะไรความสุขปลอมก็คือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายความสุขจากลาบยศสารเสริญสุขนี่เองสิ่งเหล่านี้เป็นความสุขปลอมเพราะว่าเป็นความสุขชั่วคราวและเป็นความสุขที่ พอจางหายไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่อันนี้เป็นความสุขปลอมความสุขแท้คืออะไรความสุขแท้ก็คือความสุขที่ได้จากความสุขแท้ก็คือความสุขใจที่ได้จากการทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนานี่ง เพราะว่าความสุขแท้นี้เป็นความสุขที่เที่ยงแท้แน่นอนถาวรเป็นความสุขที่จะอยู่คู่กับใจไปตลอดถึงแม้ว่าเวลาที่มันจะรู้สึกจางหายไปแต่จะไม่มีความทุกข์เข้ามาแทนที่ นี่คือความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายส่งสแสวงหากันคือความสุขแท้ปเปลี่ยนจากการหาความสุขปลอมมาหาความสุขแท้กันในเบื้องต้นถ้ายังไม่ได้รู้จักพระพุทธศาสนาก็จะถูกสอนให้หาความสุขปลอมกันเพราะว่า ถ้าไม่ได้มีพระพุทธศาสนามาสั่งมาสอนจะไม่รู้ว่าความสุขแท้จริงนั้นอยู่ที่ตรงไหนเกิดขึ้นได้อย่างไรก็จะต้องหาความสุขตอมไปเรื่อยๆแล้วก็จะต้องพบกับความทุกข์ไปเรื่อยๆดังที่คนส่วนใหญ่ในโลกนี้พบกันก็คือพบกับความทุกข์ต่างๆ พบกับความสุขทุกที่เกิดจากความเสื่อมของความสุขปลอมนั่นเองเวลาที่ได้ลาบยศสารเสริญสุขมาก็มีความสุขกันพอเวลาที่ลาบยศสารเสริญสุขจางหายไปหมดไปก็จะได้ความเศร้ากันได้ความเหงาความว้าเหว ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวได้แล้วก็ต้องไปดิ้นหากันใหม่การหาความสุขครอมก็ก็ต้องเหน็ดต้องเหนื่อยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่จะมาได้ง่า ย, ายการหาเงินหาทองหายศหาตำแหน่งหารางวีรางวัสลสรรเสริญต่างๆ หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัชเป็นสิ่งที่จะต้องมีการสรรหามีการที่จะทจะต้องมีการทำงานทำการเพื่อให้ได้มาในราบในยศในสรรเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัชชนิดต่างๆได้มามากได้น้อย ก็ไม่อิ่มไม่พอเพราะว่าพอได้มาแล้วความสุขที่ได้จากมันก็จางหายไปถึงแม้ว่ามันยังไม่ได้จากเราไปเนื้อหายไปแต่ความสุขความดือดดูดดืด่มใจที่ได้จากเวลาที่ได้มาใหม่ๆนั้นมันจะจางหายไปจึงทําให้เกิดความโลภเกิดความอยากได้เพิ่มมากขึ้นไป ได้ร้อยก็อยากจะได้เป็นพันได้พันก็อยากจะได้หมื่นได้แสนได้ล้านเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆได้เท่าไรก็ไม่มีวันอิ่มวันพอพราความสุขแบบนี้ไม่ได้ให้ความอิ่มความพอนั่นเองให้แต่ความอยากได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆพอเวลาเกิดความอยากได้เพิ่มขึ้นมา ความกระหลนความทุรนทุรายความกระตือล้นก็จะเกิดขึ้นในใจทำให้ใจไม่มีความสุขต้องดิน้นรนหามาเพิ่มอยู่เรื่อยๆและในขณะเดียวกันถ้าหาไม่ได้ก็ยิ่งทำให้เกิดความทุกข์ใจแล้วถ้าเกิดสูญเสียสิ่งที่หามาได้แล้วไป ก็ยิ่งทำให้เกิดความทุกข์ใจเพิ่มมากขึ้นไปแทนที่จะได้ความสุขตามที่ปรารถนากันกลับไปเจอกับความทุกข์ต่างๆถ้าได้ความสุขก็ได้เพียงเดียววได้แล้วก็หมดความหมายไปรอะเกิดความอยากที่จะได้ของใหม่มามาเพิ่มมาเติ ม, ม, ตมอยู่นั่นเอง นี่แหละคือลักษณะของของความสุขปลอมเวลาได้มาใหม่ๆนี้จะมีความสุขกันแต่พอเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งความสุขนั้นก็จะจางหายไปแล้วก็จะทำให้เกิดความอยากได้ความสุขอีกก็จาเป็นที่จะต้องไปหาของใหม่มาเพิ่มมาเติมแล้วถ้า ของของที่มีอยู่ถ้าเกิดการสูญเสียไปก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจตามมานี่คือความความสุขที่เรียกว่าความสุขปลอมเพราะเป็นความจริงแล้วเป็นความทุกข์มากกว่าความสุขเป็นความสุขอาจจะเพียงร้อยละสิบส่วนร้อยละเก้าสิบนี้เป็นความทุกข์ เป็นเหมือนยาขมเคลือบน้ำตาลยาขมเคลือบน้ำตาลนี้อาจจะมีน้ำตาลเคลือบอยู่บนผิวประมาณสักร้อยละสิบแต่ส่วนที่เหลือนั้นเป็นแต่ความขมเวลาอมยาขมเคลือบน้ำตาลนี้ใหม่ๆก็จะรู้สึกหวานดีถ้าไม่รีบเกินลงไปพอน้ำมะน้ำตาลที่เคลือบอยู่จางหายไป ก็จะพบกับความขมขื่นทําให้ถึงกับกลืนไม่ลงต้องคายทิ้งไปก็ได้นี่แหละสาเหตุที่ว่าธรรมยาบางชนิดถึงต้องมีการเคลือบน้ําตาลเอาไว้เพื่อที่เวลากินเข้าไปจะได้กินได้กลืนได้ถ้าไม่มีน้ำตาลเคลือบเลยนี่มันก็จะทําให้กืนไม่ลง เอาเข้าปากไม่ได้เพราะมันขมมากอันนี้คือลักษณะของความสุขปลองเป็นความสุขเพียงผิวเผิน ช, ชาบอยู่บนผิวบนผิวของความทุกข์พ อ, อความสุขที่ได้มาจางไปความทุกข์ก็จะโผล่ขึ้นมาปรากฏขึ้นมาหรือจะมองว่ามันเป็นเหมือน เหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดก็ได้เหยื่อนี้เป็นอาหารอันโอชาของปลาเวลาที่เขาตกเบ็ดกันนี่ตกปลากันนี่เราจะมีเหยื่อติดอยู่ปลายเบ็ดปลาที่ไม่ฉลาดพอเห็นเหยื่อลอยอยู่ในน้ำก็คิดว่ามีอาหารอันโอชาปรากฏขึ้นมาแล้วแต่พอไป ไปคุปปือนั้นเข้าไปในปากเบ็ดก็จะเกี่ยวปากทาให้อาหารอโนชานั้นกลายเป็นตนเองจะกลายเป็นอาหารอนชาต่อไปคิดว่าจะฮุบอาหารอนชาแต่ที่ไหนได้กับกลายผันตัวเองให้กลายเป็นอาหารอนชาของผู้ที่เขาตกปาอยู่พองเขาพอ พอเบ็ดเกี่ยวติดปากปลาแล้วเขาก็จะเขาก็จะชาดึงปากขึ้นจากน้ำจากน้ำเขาก็เอาไปต้มเอาไปทอดเอาไปเผากินกันเป็นเป็นอาหารอนุชานี่แหละคือความสุขความเป็นแบบนี้เวลาที่เราได้อะไรมาได้ลาบยศด ส, ะะสรรสญ ได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพนี้เราจะดี อ, อกดีใจกันมีความสุขกันแต่พอเวลาที่ราบยศสรรเสริญและสุขทางตาหูจมูกมนิ้งกายนี้จางหายไปเราก็มาร้องห่มร้องไห้กันเศร้าโศกเสียใจกันวุ่นวายใจกันกินไม่ได้นอนไม่หลับกัน <Billie S 2> นะถ้าเสียมากๆเสียบ่อยๆก็อาจจะคิดกับการฆ่าตัวตายก็ได้เพราะว่านอกจากลาบยศสารเสริญกับรูปเสียงเกล็ลดปดทพานี้ที่เป็นของไม่เที่ยงแล้วเป็นของชั่วข่าวแล้วร่างกายที่เป็นเครื่องมือในการหาราบยศสารเสริญสุดนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกัน ร่างกายไม่ใช้ก็เร็วก็ต้องแก่ลงไปเรื่อยๆต้องเจ็บไข้ด้วยป่วยนเวแล้วก็จะต้องตายเวลาร่างกายพบกับความแก่ความเจ็บความตายการที่จะไปหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลึกะก็เป็นไปไม่ได้ถ้าตาไม่ดีหูไม่ดี ก็อมองอะไรไม่เห็นมองอได้ยินไม่ค่อยได้ยินเสียงความสุขทางตาความสุขทางหูก็จะขาดหายไปไม่สามารถหาความสุขจากรูปจากเสียงมามาให้กับใจได้นี่คือลักษณะของความสุขปลอมขอให้พวกเราพยายามศึกษาและพยายามสอนใจเราอยู่เรื่อยๆว่า นี่คือความสุขที่ผู้มหอความทุกข์เอาไว้เป็นความสุขผิวบางๆที่หุ้มพุ่หอความทุกข์เอาไว้หรือให้มองว่าเป็นเหมือนเบือเป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดก็ได้หรือถ้าจะเปรียบเทียบ ว, ว่าเป็นเหมือนกับปลาที่มีก้างก็ได้เวลาที่เรากินปลาที่มีก้าง ถ้าเราเผลอไม่ระมัดระวังนี้ก้างมันอาจจะตามปากเราได้อันนี้เป็นเรื่องของความสุขปลอมที่พระพุทธเจ้าได้พระอาหารหันตสาวกทั้งหลายนี้ได้รู้ทันเมื่อก่อนนี้ตอนที่ท่านเกิดมาท่านก็ถูกสอนให้หาความสุขจากาลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระต่างๆ แต่ท่านมีปัญญามีความฉลาดท่านเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นสภาพของความไม่แน่นอนของความสุขเหล่านี้เห็นว่าได้แล้วก็มีการเสียไปได้มีการเจริญย่อมมีการเสื่อมไปเป็นอนิจจังไม่เที่ยมเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่ไปห้ามมันไม่ให้เสื่อมไม่ได้ ไปควบคุมบังคับให้มันเจริญอย่างเดียวไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เจริญแล้วก็ต้องมีการเสือ่อมเวลาเจริญก็เกิดความสุขกันแต่เวลาเสื่อมก็จะทําให้เกิดความทุกข์ใจกันดังนั้นท่านเห็นด้วยปัญญาท่านจึงศึกษาค้นค้าหาความสุขอย่างอื่นหรือว่ามีความสุขแบบไหนไหมที่เป็นความสุขแท้ ก็ได้คำตอบว่ายังมีความสุขอีกแบบหนึ่งคือความสุขทางใจเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาเป็นความสุขแบบปลาปลาที่ไม่มีก้างกินเนื้อกินปลาที่ไม่มีก้างนิสบายไม่มีก้างมาตามปากความสุขที่ไม่มีความทุกข์นี้ก็คือความสุขใจที่เกิดจากการ ปฏิบัติทานศีลภาวนาเนี่ยโดยจากการทำบุญทำทานโดยจากการรักษาศีลโดยจากการภาวนาเวลาได้ทำทานใจก็จะได้ความสุขความอิ่มเอิบใจในระดับของทานเวลารักษาศีลใจก็จะได้ความสุขความอิ่มเอิบใจจากการรักษาศีลในระในระดับของศีล เวลาที่ได้ภาวนาก็จะได้ร <ko> ับความสุขในระดับของการภาวนาซึ่งเป็นความสุขที่สูงสุดแต่เป็นความสุขที่ยากที่สุดที่จะเข้าถึงได้ความสุขขั้นสีนี้ความสุขขั้นสีขั้นทานนี้จะเข้าได้ง่ายกว่าความสุขขั้นทานนี้จะเข้าได้ง่ายกว่าความสุขขั้นสี ความสุขขั้นศีนี้เข้าง่ายกว่าความสุขการภาวนาดังนั้นผู้ที่ปรารถนาความสุขแท้ความสุขจริงนี้จาเป็นจะต้องทำตามกำลังของตนไปก่อนถ้ายัางภาวนาไม่ได้อย่างรักก็ลองมารักษาศีลดูก่อนถ้ายัางรักษาศีลไม่ค่อยได้ก็ลองมาทำทานกันก่อน เพราะการทำทานนี้เป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดในบรรดาความสุขที่แท้จริงเราต้องค่อยๆสร้างกำลังของการหาความสุขจากน้อยไปหามากจากง่ายไปหายากถ้าเราไม่สามารถไปหาความสุขจากระดับที่ยากได้เราก็ต้อง หาความสุขจากระดับที่ง่ายไปก่อนระดับที่ง่ายที่สุดก็คือการทําบุญทำทาน <c oughs> <c oughs> อย่างที่พวกเราทั้งหลายได้ทากันอยู่เรื่อยๆ <c oughs> เพราะว่าเป็นการกระทำ <c oughs> ที่ไม่ยากเย็นจนเกินไป <c oughs> การทำทานก็คือการให้ <c oughs> ให้สิ่งที่เรามีสิ่งที่เราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้ เรามีสิ่งที่ต้องเก็บมาไว้เพื่อเลี้ยงดูร่างกายเราอันนี้เราก็ต้องมีไว้เช่นเราต้องมีปัจจัยสี่ไว้เลี้ยงดูร่างกายเราต้องมีเงินทองที่จะซื้อปัจจัยสี่ซื้ออาหารซื้อเครื่องนุ่งห่มซื้อที่วัสัยซื้อยารักษาโรคมาบำรุงร่างกายของเราเพราะว่า ถ้าร่างกายขาดปัจจัยสี่ร่างกายก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการกันเราต้องการความสุขกันเราจึงจำเป็นที่จะต้องมีเงินทองไว้สำหรับใช้จ่ายซื้อหาพวกอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคแต่ถ้าเรามีมากกว่า ที่เราจำเป็นจะต้องมีถ้าเราอยากจะมีความสุขเพิ่มขึ้นการเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่อย่างเป็นปกติสุขได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นความสุขระดับพื้นฐานถ้ามีเวลาหิวข้าวได้กินข้าวอิ่ม น, นี่ก็เกิดความสุขเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมียารักษาโรครักษาให้หายได้มันก็เป็นความสุข อันนี้เรียกว่าลความสุขระดับพื้นฐานแต่ถ้าเราอยากจะได้ความสุขที่มากกว่าระดับพื้นฐานที่สูงกว่าเราก็ต้องหามาเพิ่มด้วยการทำบุญทำทานนี้<ม>ก็เอาเงินทองที่เหลือเหลือใช้จากการเลี้ยงดูร่างกาย<ม>ถ้ามีเหลือถ้ามีเกิน<ม>ให้เราคิดว่าส่วนเกินนี้ ตายไปเราก็เอาไปไม่ได้เก็บไว้ก็ตายไปก็กลายเป็นของคนอื่นไปแต่ถ้าเราเอาไปทําบุญทําทานเราก็จะเปลี่ยนเงินนี้ให้เป็นความสุขใจขึ้นมาแล้วความสุขใจที่เราได้จากการทําบุญทําทานนี้มันก็จะไปกับใจของเราต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราจะไม่รู้สึกเสียดายกับการเสียดายเงินกับการทำบุญทำทานเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้เสียเราเป็นการเปลี่ยนเงินทองให้มาเป็นบุญให้เปิ่นเงินทองที่เราจะเอาไปใช้ในโลกทิพย์ต่อไปเท่านั้นเองเป็นเหมือนกับเวลาที่เราจะเดินทางไปต่างประเทศเรามักจะต้องเปลี่ยนเงินตรากัน เราจะเปลี่ยนเงินไทยไปเป็นเงินดอลลาร์หรือเงินเยนหรือเงินจีนก็สุดแทสุดแท้แต่ประเทศที่เราจะไปเพราะว่าเวลาเราไปอยู่ประเทศนั้นเราก็จะได้มีเงินของประเทศนั้นใช้ได้อย่างสะดวกง่ายดายไม่ต้องคอยไปหาที่แลกเปลี่ยนในโลกทริปนี้ไม่มีที่แลกเปลี่ยนเงินทองให้กลายเป็นบุญเราต้อง เปลี่ยนเงินทองให้เป็นบุญก่อนที่เราจะออกเดินทางจากโลกนี้ไปเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปนี้เราจะเราจะต้องถูกบังคับให้ออกเดินทางไปสู่โลกทิพย์ต่อไปแล้วสิ่งที่เราจะต้องใช้ในโลกทิพย์ก็คือบุญนี้เองบุญเป็นเงินทองที่จะใช้ในโลกทิพย์ถ้าเราไม่เปลี่ยนเงินทองให้เป็นบุญเวลา ร่างกายตายไปเวลาเราไปอยู่ในโลกทิพย์เราก็จะไม่มีไม่มีบุญใช้ไม่มีเงินทองใช้ในโลกทิพย์เราก็จะอยู่แบบอดอยากขาดแคลนอยู่แบบขอทานอยู่แบบคนเล้ร่อนอันนี้คือเรื่องของความคิดที่จะทําให้เราไม่เสียดายเงินเงินทองที่เราเอามาใช้กับการทําบุญทําทานเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการสูญเสีย แต่อย่างใดเป็นการแลกเปลี่ยนเป็นการเปลี่ยนเงินของโลกนี้ให้เป็นเงินของโลกทิพย์เท่านั้นเองเพราะว่าเวลาที่เราออกเดินทางไปในโลกทิพย์นี้เราไม่สามารถใช้เงินที่เราใช้ในโลกโลกนี้ได้เราต้องใช้เงินของโลกทิพย์ก็คือบุญ น, นี้เองนี่คือวิธีการที่จะสอนให้เรานี้ไม่เสียดายเงินทองที่เรามีอยู่ เพราะว่าเป็นของที่เราติดตัวกับเราไปไม่ได้เอาติดไปกับใจไม่ได้เป็นสมบัติของกายมากกว่าเป็นสมบัติของใจเป็นสมบัติไว้สำหรับเลี้ยงดูร่างกายไว้ใช้ซื้อปัจจัยสี่คอยเลี้ยงดูร่างกายแต่ถ้าเรามีมากกว่าที่เราจำเป็นจะต้องใช้กับการเลี้ยงดูร่างกายเราก็ เอาไปเปลี่ยนเป็นบุญดีกว่าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปเมื่อไหร่นี่เราต้องสมมติว่าเราอาจจะต้องไปวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ได้ถ้าเราไม่รีบเอาเงินที่เป็นส่วนเกินนี้เอามาทำบุญเดี๋ยวถึงเวลาที่เราจะไปนี่เราอาจจะไม่มีบุญติดตัวไปงั้นพยายามสะสมบุญไปเรื่อยๆวันละล ก, กว่านาน้อย ดีกว่าไม่ทำเลยเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ไม่จำเป็นว่าจะต้องทําบุญแบบมีส่วนเกินเท่าไหร่ก็ทําไปหมดเราจะต้องแบ่งครึ่งหนึ่งไว้สำหรับเผื่อวันพรุ่งนี้เผื่อเงินทองอไรายได้ที่เราหามามันอาจจะหดหายไปเงินทองอาจจะไม่พอใช้เลี้ยงดูร่างกาย เราก็จะต้องมีส่วนสำรองไว้บ้างสำหรับร่างกายเมื่อเรามีส่วนสำรองไว้พอเพียงแล้วเราก็คิดถึงอนาคตเวลาที่เราจะต้องเดินทางต่อไปด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่มีการเอาเงินทองในโลกนี้ไปแปลงเป็นบุญเวลาเราไปเราจะไม่มีบุญติดตัวไป เหมือนกับเวลาเราไปต่างประเทศถ้าเราไม่เอาเงินบาทนี่ไปแปลงเป็นเงินสกุลของประเทศที่เราเจะเดินทางไปเวลาเราไปเราอาจจะไม่มีเงินติดตัวไปก็ได้ไม่มีเงินของของสกุลของประเทศนั้นติดตัวไปจะไปก็อาจจะขุกนขลักยากลาบากอย่างน้อยในโลกนี้เรายังเอาเงินเงินของเราติดตัวไปแล้วไปเปลี่ยนที่ประเทศเขาได้ แต่ก็ไม่ก็อาจจะยากเพราะว่าไม่มีที่ที่จะแลกเปลี่ยนได้อย่างสะดวกรวดเร็วเหมือนกับการที่เราเอาเงินของสกุลของประเทศนั้นไปใช้เราใช้ได้ทุกที่ทุกแห่งทุกคนเลยอันนี้เป็นการเปรียบเทียบเป็นการสอนให้ใจคลายความตนีคลายคลายความหึงหวงในทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆที่เรามี อยู่นี้ว่าวันใดวันหนึ่งนี้เราจะต้องจากสิ่งเหล่านี้ไปทั้งหมดเอาอะไรติดตัวติดใจไปไม่ได้เลยสิ่งที่เราติดไปได้ก็คือบุญที่เราเอาเงินทองนี้มาแปลงให้เป็นบุญเท่านั้นเองดังนั้นถ้าเรามีโอกาสควรจะฝึกทำบุญให้เป็นนิสัยจะดีอย่าเราทาแต่เฉพาะวันสาคัญสาคัญ เช่นวันเกิดวันครบรอบแต่งงานวันครบรอบคนตายวันปีใหม่หรือวันสำคัญทางาศาสนาเพราะมันอาจจะไม่มากทำไม่มากเพราะว่าเราก็ยังเสียดายเงินทองอยู่แต่ถ้าเรานองทําทุกวันทําไม่มากแต่ทําทุกวันพอสิ้นปีนี้ เราจะได้ทำมากเราจะได้ปริมาณของการทำบุญได้มากแล้วเราจะไม่ค่อยรู้สึกเสียดายเหมือนกับถ้าเราทำทีเดียวก้อนเดียวปีหนึ่งทำผลเดียวนี่กับทาวันละทำทำทุกวันแต่แบ่งเป็นเป็นส่วนๆไปพอถึงสิ้นปีเราก็จะได้ได้บุญมากนี่คือ สิ่งที่เราควรจะฝึกฝนอบรมทากันให้มันเป็นนิสัยแล้วมันก็มีคุณมีประโยชน์เพราะทุกครั้งที่เราทำบุญนี้มันจะทำให้เมื่อเรามีความรู้สึกอิ่มเอิบใจมีความสุขใจมีความภูมิใจแล้วถึงแม้ว่าเวลาบางวันเรามอาจจะไม่ได้ทำบุญเราจะไม่รู้สึกหงุดหงิดลาคาญใจเหมือนกับเวลาที่เรา ใช้เงินไปซื้อความสุขต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายเวลาเราใช้เงินไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ม, มันมันก็จะติดมันก็อยากจะซื้ออยู่เรื่อยๆซื้อแทบทุกวันถ้าเป็นไปได้เห็นอะไรก็อยากได้ก็ต้องซื้อ <c oughs> พอวันไหนถ้าไม่ได้ซื้อขึ้นมา <c oughs> ก็จะรู้สึกหดเดหียดนำคาญใจไม่สบายอกไม่สบายใจ แต่การทำบุญนี้จะไม่มีผลทำให้ใจไม่สบายเวลาที่ไม่ได้ทำบุญบางช่วงเราอาจจะไม่มีเงินทาบุญเงินไม่พอทำเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยไม่ทุกไม่เดือดร้อนอันนี้คือเรื่องของความแตกต่างระหว่างการใช้เงินทองไปซื้อความสุขปลอมกับไปซื้อความสุขจริงเอาเงินทองไปซื้อความสุขปลอมนี่ มันก็จะไม่มีอะไรตกค้างอยู่ในใจความสุขได้จากความได้จากการซื้อรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆซื้อข้าวซื้อของต่างๆนี้มันไม่ตัดมันไม่ตกค้างอยู่ในใจมันไม่ติดอยู่ในใจเหมือนกับความสุขที่เกิดจากการเอาเงินไปทำบุญมันต่างกันตรงนี้มันความสุขที่เราได้จากการใช้เงินไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้ มันเป็นความสุขแบบยาเสพติดพอซื้อมาปั๊บก็ได้ความสุขเหมือนกับเสพยาเสพติดขนาจเสพปั๊บก็มีความสุขเดี๋ยวไปสักพักหนึ่งความสุขนั้นก็จางหายไปปล่อยให้ใจอ้างวาง้างเปล่าเปลี่ยว <Yeah. S 1> เดียวดายทาให้อยากจะต้องหาความสุขมาเติมอีกต้องไปซื้อของอีกถ้าเป็นยาเสพติด hmm. ก็ต้องไปซื้อมาเสพอยู่เรื่อย ๆ, ๆเวลาดายที่เกิด เวลาขาดยาเสพติดนี้ใจก็จะทรนทุรายอยู่ไม่เป็นสุขกินไม่ได้นอนไม่หลับอันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าซื้อข้าวซื้อของซื้อที่ไม่จำเป็นนี้มาใช้มาได้มาเสพพอได้แล้วก็สักพักหนึ่งความสุขที่ได้มันก็จะจางหายไปแล้วทาให้ใจรู้สึกขาดอะไรจะต้องคอยไปหาซื้อมาเพิ่มเติมอยู่เรื่อย แล้วไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องเจออุปสรรคเพราะเงินเนี่ยก็อาจจะหมดเงินก็อาจจะไม่พอใช้ก็ได้เอาไม่พอใช้แล้วทีนี้ก็จะทำให้เกิดความหงุดหงิดลาคาญใจอยากจะซื้ออะไรเหมือนที่เคยซื้อก็ซื้อไม่ได้แล้วก็อาจจะทำให้ต้องไปหาเงินโดยวิธีมิชอบไปหาเงินโดยวิธีทุจริตการหาเงินโดยวิธีทุจริตก็เป็นการมา เสริมสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาสิให้อีกแท น, นที่จะดับความทุกข์ใจกลับไปหาความทุกข์ใจมาเพิ่มอีกนี่มันเป็นเรื่องของวิถีทางของการหาความสุขปลอมการหาความสุขปลอมนี่จะจบลงที่การเจอกับความทุกข์ชนิดต่างๆแล้วก็จะทุกไปเรื่อยๆจนวันตาย วความสุขแบบนี้ก็จะต้องเจอกับความทุกข์ไปไเรือ่อยๆเช่นพอถึงเวลาที่แก่เท่าเจ็บไข้ได้ป่วยถึงแม้จะมีเงินทองชื่ออะไรได้แต่ก็ร่างกายมันไม่พร้อมที่จะเสพรูปเสียงกิริย์รสเสียแล้วเพราะมันอยู่ในสภาพของคนแก่ของคนเจ็บของคนใกล้จะตายความสุขที่ได้จากความสุขความนี้ก็จะไม่สามารถหามาได้ มันก็จะทําให้ใจนี้เกิดความทุกข์เกิดความเศร้าสร้อยง่อยเหงาอาจจะเกิดความซึมเศร้าตามมาและอาจจะทําให้คิดอยากจะฆ่าตัวตายต่อไปได้นี่คือผลที่จะตามมาจากการที่ไปหาความสุขปลอมเพราะความสุขปลอมนี้ก็คือการไปหาความทุกข์นี่ดีนี่เองความสุขปลอมก็คือความทุกข์นั่นเองสาเหตุที่คนในโลกนี้ทุกข์กันนี้ ก็เพราะว่ามุ่งไปหาความสุขปลอมกันโดยไม่รู้ว่ามันเป็นความสุขปลอมไม่รู้ว่ามันเป็นความทุกข์พอไปคิดว่ามันเป็นความสุขคิดว่ามันเป็นของที่เที่ยงแท้แน่นอนคิดว่าเป็นของที่สามารถที่จะทําให้เกิดความสุขไปได้ตลอดเวลาแต่โดยธรรมชาติของความสุขปลอมนี้มันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่ไม่มีใครไปควบคุมบังคับไปสั่ง ให้มันเชี่ยงแท้แน่นอนได้มันได้มาแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องจางหายไปหมดไปนี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องสอนใจเวลาที่เราอยาจะมาสร้างความสุขทางใจกันสร้างความสุขที่เกิดจากการทำบุญทำทานให้เราคิดว่าไม่ได้เป็นการสูญเปล่าทาทาบุญนี่ไม่ไม่ไปการสูญเปล่า ได้ผลในทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเนี่ยบุญที่เราทำนี้ปัจจุบันจะทำให้เรามีความสุขใจอิ่มใจจะทำให้เราไม่หิวโหยกับความสุขปลอมต่างๆจะทำให้เราไม่หิวโหยกับลาบยศสารเสริญไม่หิวโหยกับรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะเพราะเรามีความอิ่มเอิบใจจากการทำบุญทำทานอันนี้เป็นผลที่หนึ่งที่เราจะได้รับในปัจจุบัน ันที่สองก็คือเราจะมีบุญติดตัวไปมีทรัพย์ภายในหรือเป็นเป็นทรัพย์ที่เราจะสามารถเอาไปใช้ในโลกทิพย์ได้ใจของเรานี้ไม่ใต้ตายไปกับร่างกายใจของเราอยู่ต่อไปแต่อยู่ในสภาพที่ไม่มีไม่มีร่างกายนี่การอยู่ในโลกทิพย์แบบไม่มีร่างกายนี้เป็นอย่างไร เราก็สามารถดูตัวอย่างได้มีหนังตัวอย่างให้เราดูก็คือตอนที่เรานอนหลับนี่เองเวลาเรานอนหลับนี่เราก็เหมือนกับตายร่างกายก็เหมือนกับตายไปชั่วคราวเพราะนอนร่างกายทำอะไรไม่ได้เหมือนคนตายไม่สามารถลุกไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปทำอะไรได้ไปหาความสุขจากลาบยศสารเสิญสุขได้ก็เหมือนตายนั่นเอง แล้วตอนนั้นใจของเรานี้จะอยู่อย่างไรตอนนั้นใจก็เหมือนกับว่ากลับไปอยู่ในโลกทิพย์ชั่วเก่าเพราะไม่สามารถใช้ร่างกายพาให้ไปหาความสุขในโลกนี้ได้เวลานั้นใจก็จะอยู่แบบอยู่กับความฝันชนิดต่างๆนั่นเองมีทั้งฝันดีบ้างฝันไม่ดีบ้าง อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่เราทำนี่เองถ้าเราทำบุญเราก็จะฝันดีฝันว่าเราได้ไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปทาอะไรที่ให้ความสุขกับเราถ้าเราฝันไม่ดีว่าฝันว่าไปมีเรื่องมีราวไปถูกเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นีบ้บีบคั้นบังคับให้เกิดความทุกข์ทรมานใจต่างๆนานาอันนั้นเป็นเรื่องของ ผลของการกระทำบาปของเราถ้าเป็นผลของการกระทำบุญก็จะเป็นเรื่องราวที่ทำให้เรามีความสุข mm hmm. เวลานอนหลับบางทีเราฝันดีกว่าตอนเรามีความสุขมากวากว่าตอนที่เราตื่นซิบางทีตื่นขึ้นมาแล้วยังอยากจะกลับไปนอนต่อเลยเพราะตื่นขึ้นมาแล้วแทนที่จะได้ความสุขเหมือนกับตอนที่อยู่ตอนที่นอนหลับกลับจะต้องมาเจอความทุกข์ต่าง เช่นความทุกข์ทางร่างกายถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยพอตื่นขึ้นมาอา๋อก็เจอการอาการเจ็บไข้ได้ป่วยสู้นอนต่อดีกว่านอนต่อแล้วฝันดีดีกว่ามีความสุขมากกว่าอันนี้แหละคือการอยู่ของใจในขณะที่ไม่มีร่างกายอยู่ในโลกที่มันจะเป็นเหมือนอยู่ในโลกที่เป็นเหมือนความฝันเราเรียกว่าความฝัน แต่เวลาเราฝันนี่เราไม่รู้ว่าเราฝันเราคิดว่ามันเป็นโลคจริงๆเลยเราคิดว่าเรากำลังดูนั่นฟังนี่คุยกับคนนั่นคุยกับคนนี้ไปเที่ยวที่นั่นไปเที่ยวที่นี่ไปทาอะไรต่างๆน า, นานานี้เราไม่เราไม่ได้บอกตัวเราเองว่าเรากาลังฝันเลยเราไม่รู้ว่าฝันจะมารู้ว่าเราฝันก็เมื่อตอนที่เราตื่นขึ้นมาเ่เอ่าโอ้ยเมื่อกีนี้ฝันดีเหลือเกินหรือเมื่อกีนี้ฝันร้ายเหลือเกินถ้าฝันร้ายนี่บางที เงือ่เงือ่เต็มตัวเลยก็มีอันนี้น่ะคือสภาพของชีวิตในโลกในโลกที่จะเป็นเหมือนกับตอนที่เรานอนหลับแล้วฝันไปสาเหตุที่เราฝันดีก็เพราะว่าเราสะสมเรื่องที่ดีไว้ในใจเราใจเหล่านี้เป็นเหมือนเครื่องบั น, บนทึกภาพบันทึกเสียงเหมือนมือถือของเราเนี้ยเดี๋ยวนี้ญาติโยมไปไหนเนี่ยญาติโยมมกักจะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอ ก, กันอัดเสียงกัน เวลาไปกินอาหารนั้นนั้นนี่ก็ต้องถ่ายรูปอาหารไว้ก่อนเวลากลับมาบ้านจะได้มาเปิดดูได้ถึงแม่กินแล้วยังกลับมากลับมากินอีกอีกครั้งหนึ่งก็ได้จากการที่เราต้ถ่ายรูปมาใจเราก็เป็นเหมือนมือถือเนี่มันสามารถบันทึกรูปเสียงกลิ่นรสผลภิภัณฑ์ต่างๆที่ร่างกายเราไปไปไ ป, ไปสัมผัสมาแล้วมันก็จะเก็บไว้ในใจเป็นสัญญาสัญญาความจำํำ แล้วพอเวลาเรานอนหลับเมื่อใจไม่สามารถหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสทางตาแทางร่างกายได้เพราะว่าร่างกายนอนหลับตอนนั้นใจก็เลยต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสที่ได้บันทึกไว้ในใจนี้ได้ไปเที่ยวที่นั่นได้ไปทำคุยงามความดีต่างๆทำบุญที่นั่นทำบุญที่นี่บุญเหล่านี้ที่เราบันทึกไว้มันจะมาโผล่ขึ้นมาในฝันของเราทาให้เราเกิดมีความรู้สึกมีความสุข พอเราบันทึกแต่เรื่องที่ทำให้เรามีความสุขกันนั่นเองในทางตรงกันข้ามถ้าเราไปทำบาปไปมีเรื่องมีราวกับคนนั้นคนนี้ไปทัางความเสียหายเดือดร้อนให้กับคนนั้นคนนี้แล้วเขาก็จะตามมาล้างแค้นเรามาทาร้ายเราอันนี้มันก็จะบันทึกไว้ในใจเราเหมือนกันพอเรานอนหลับเราก็จะฝันร้ายฝันว่าเราไปมีเรื่องมีราวกับคนนั้นคนนี้ฝันว่าเขามาทาร้ายเราเราทาร้ายเขา อันนี้เป็นเพราะว่าใจเราบันทึกเหตุการณ์ต่างๆไว้ในขณะที่เราเตื่นกันนั่นเองแล้วพอนอนหลับมันก็เลยเอามาคิดปรุงแต่งเอาความจำสิ่งที่จดจำในสัญญามมาใช้กับสังขารสังขารก็เอาเรื่องราวไม่ดีมาปรุงแต่งหรือถ้ามีเรื่องราวที่ดีบันทึกไว้มันก็เอาเรื่องราวที่ดีมาปรุงแต่งกลายทำให้กลายเป็นการฝันดีหรือฝันร้ายไปนี่คือสภาพของจิตใจ เวลาที่ร่างกายตายไปแล้วมันจะอยู่ในสภาพอย่างนั้นถ้าอยู่ในสภาพที่ฝันดีเราก็เรียกว่าสวรรค์สวรรค์ชั้นต่างๆถ้าอยู่ในสภาพที่ฝันร้ายเราก็เรียกว่าอบายฝันแบบหิวโหยก็ก็เรียกว่าเปรตฝันแบบหวาดกลัวมีแต่เรื่องราวหวาดกลัวต่างๆก็เรียกว่าสุรระกายฝันแบบ ร้นแบบอาฆาตพยาบาทเคียดแค้นจองเวรจองกรรมมีเรื่องมีราวกันต่อสู้กันฆ่าฟันกันอันนี้เราก็เรียกว่านรกเนี่ยอันนี่แหละคือสาเหตุว่าทําไมเราไม่ควรทําบาปกันเพราะว่าเมื่อทําแล้วมันจะต้องไปเจอกับเหตุการณ์อย่างนี้ในโลกทิพตต่อไปถ้าเราทําบุญเราก็จะไปเจอกับเหตุการณ์ที่ดีต่างๆในโลกทิพตนี่แหละคือคําว่าสวรรค์นรกเนี่ยมัน ไม่ใช่เป็นสถานที่ไม่ใช่เป็นเหมือนว่าไปที่เชียงให ม, ม่หรือไปที่ภูเก็ตนี่ถึงจะไปถึงสวรรค์หรือไปถึงนรกมันมันเกิดในใจของเรานี่เองเกิดจากความคิดปรุงแต่งของใจเราจากเหตุการณ์ต่างๆที่เราไปกระทำไว้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ถ้าเราทำบาปเราก็จะเอาเหตุการณ์ที่ไม่ดีมาปุงแต่งมาสร้างเรื่องราวที่ ที่น่าหวาดกลัวที่น่าทุกข์ที่ทำให้เราหิวโหวย mm hmm. เครียดแค้นพยาบาทเป็นต้นหรือถ้าเราไปทำบุญมันก็จะเอาแต่เรื่องความสุขต่างๆมาปรุงแต่งมาให้เราได้ดูกันนี่คือสภาพของจิตใจที่หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วถ้าเราทำบุญเราก็จะสะสมแต่เรื่องที่ดีไว้ในใจของเรา พอเราตายไปสังขารมันก็จะเอาเรื่องที่ดีที่เราบันทึกเอาไว้ในใจนี้มาปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวที่มีแต่ความสุขเราก็จะอยู่ในสภาพอย่างนั้นไปจนกว่ า, าบุญที่เราทําไว้มันหมดเรื่องราวที่ได้บันทึกไว้มันหมดมันก็จะไปหาหาร่างกายอันใหม่ไปรอรับร่างกายใหม่เพื่อเกิดใหม่ต่อไปแล้วพอเกิดใหม่มานี่ อันนี้สงของบุญที่เราทำนี้ก็ยังไม่หมดเพราะอีกส่วนหนึ่งมันก็จะเป็นเหมือนเอาไปฝากไว้ในธนาคารบุญคนที่ทำบุญในชาติก่อนนี้เวลามาเกิดในชาตินี้มักจะอยู่มีฐานะดีไม่ยากจนไม่ไม่แร้นแค้นไม่อดอยากขาดแค้นคนที่ไม่ทำบุญนี้เวลากลับมาก็จะไม่มีไม่มีทรัพย์ไม่มีอะไรรอรับอยู่เพราะว่าเหมือนกับเอาเงินไปฝากในธนาคารนี้ ถ้าเราเอาเงินไปฝากธนาคารอยู่เรื่อยๆพอเวลาเรามีจำเป็นจะต้องใช้เงินเราก็ไปเบิกได้แต่ถ้าเราไม่เคยฝากเงินไว้ในธนาคารเลยพอเวลาเรามีความจำเป็นจะใช้เงินเราไปเบิกเขาก็ไม่ให้เราเบิกเพราะบัญชีเรามีแต่ศูนย์มีแต่เลขศูนย์พอเสียใจเบิกไม่ได้เพราะคุณไม่เคยฝากเงินไว้ในธนาคารนี้เลยนี่แหละคือเรื่องของอนิสง์ของบุญที่เราทากันนี้ เราได้รับประโยชน์ต้องส า, สามระยะเลยระยะแรกในขณะที่เราทำในปัจจุบันนี้ทำแล้วเราก็จะเกิดความอิ่มใจสุขใจขึ้นมาระยะที่สองก็คือ <c oughs> เวลาเราตายไปร่างกายเราตายไปบุญที่เราทำนี้มันก็จะมาสร้างเรื่องราวที่ดีเรื่องราวที่สุขให้กับเราได้สัมผัสรับรูบร้แล้วพอเราได้ไปร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ เราก็จะไปเกิดในครอบครัวที่มีฐานะการเงินการทองดีไม่ต้องไปดิ้นรนหาเงินหาทองเพราะว่าเราฝากเงินไว้ในธนาคารบุญนะพอไปเกิดก็ไปเกิดครอบครัวของเศรษฐีอย่างพระเวชสันดร น, นี่ตอนที่ท่านเป็นพระเวชสันดรท่านก็ทำบุญอย่างมหาศาลสร้างทานบารมีอะไรอย่างได้อะไรมีอะไรท่านให้ได้ท่านยินดีให้หมดเลย พอร่างกายของพระเวสสันดรตายไปใจของพระเวสสันดรก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตนะแล้วพอหลังจากลงจากสวรรค์ชั้นดุสิตก็กลับมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเป็นลูกของพ่อพรมาหากษัตริย์มีทรัพย์สมบัติเยอะแยะมีปร า, าสาทสามฤดูมีบริษัทบริวารคอยรับใช้อยู่ตลอดยี่บสี่ชั่วโมงอันนี้แหละก็คือเรื่องของ อันนี้สองหรือผลบุญที่เราจะได้รับกันถ้าเราถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเราจะไม่เสียดายเงินเลยที่เราเอาไปทำบุญเพราะเหมือนกับการเป็นการลงทุนสมัยนี้คนเข้ามาหลอกเราลงทุนใช่ไหมเอามาหมื่นหนึ่งเดี๋ยวจะได้เดือนละพันเดือนละสองพันนี้ก็อยากจะลงทุนกันสิใช่ไหมเดือนหนึ่งได้กำไรได้ต้องคืนมาต้องหมื่นกว่าอันนี้ก็อันนั้นเป็นการหลอกลวงมันไม่เป็นความจริง แต่เรื่องที่เล่ามาให้ฟังนี้เป็นความจริงเป็นความจริงทาได้สามารถพิสูจน์ได้ลองทาบุญดูแล้วดูที่ใจเราว่าเรารู้สึกอย่างไรบ้างถ้ามันไม่รู้สึกอะไรก็แสดงว่ามันยังน้อยไปเหมือนกินข้าวยังกินไม่มากพอถ้ากินข้าวคำสองํามันจะไม่รู้สึกอะไรถ้าอยากจะให้รู้สึกว่ากินข้าวแล้วเป็นผลยังไง้องกินสักสองสามจานดู กินสองสามจานดูก็คสอกโอ้ยอิ่มท้องแน่นท้องเลยโอ้ยมีความสุขเหลือเกินอันนี้ก็เหมือนกันถ้าทำบุญสิบบาทยี่สบาทแล้วไม่รู้สึกว่ามันมีความสุขเอาสักร้อยสองร้อยดูร้อยสองร้อยยังไม่รู้สึกก็เอาสักพันสองพันดูเดี๋ยวมันต้องรู้สึกแน่นอนไม่ช้าก็เร็ว แล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามีความสุขใจมีความอิ่มใจมีความสบายใจพอใจเราจะไม่หิวไม่อยากไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเมื่อก่อนที่ชอบเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อไอ้นู่นซื้อไอ้นี่แต่พอมาเปรียบเทียบกับความสุขที่ได้จากการซื้อจากการเอาไปทําบุญนี่มันต่างกันเหมือนฟ้ากับดินทําบุญแล้วเกิดความสุขใจอิ่มใจสบายใจไม่หิวโหยกับของฟุ่มเฟือยต่างๆ นี่แหละคือสิ่งที่เราต้อง ศ, ศึกษาแล้วต้องเอาไปปฏิบัติเดูต้องทำดูทำแล้วก็จะเห็นผลเราจะทำให้เราเชื่อในผลที่เรายังไม่เห็นผลที่เราเห็นได้นี่มีสองผลนะปัจจุบันเวลาทำแล้วก็เกิดความสุขใจอิ่มใจต่อไปถ้าเราทำมากพอเวลานอนนอนหลับนี่เราจะฝันดีเราจะไม่ฝันร้าย แล้วพอเราไปเกิดใหม่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องรอพิสูจน์ต่อไปหรือเราอาจจะมองจากในภพนิชานนี้ก็ได้ว่าเอเราธรรมชาตินี้เราสุขสบายเหลือเกินเราก็ไม่ต้องดิ้นรนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มาของมันเองไม่เหมือนกับคนบางคนนี้ต้องคอยดินน้นรนคอยหาแทบเป็นแทบตายกว่าจะได้มาสักบาทสองบาทนี้เหนือเหนื่อยเมื่อ ย, อยล้า แต่เรานี่อยู่ดีๆเงินมันก็หล่นมาเหมือนกับส้มหล่นทับเราอย่างนี้อันนี้มันแสดงว่านีา่มันเป็นอา น, นิสงของของของบุญเก่าบุญเก่าที่เราได้ทำไว้พอถึงเวลามันก็จะออกดอกออกผลให้กับเราทันทีขอให้เราคิดอย่างนี้เวลาที่เราทำบุญเราจะทำให้เรามีศรัทธามีความยินดีที่อยากจะทำแล้วการทำบุญนี้เราเลือกทำได้ไม่จำเป็นจะต้องทากับวดัดกับพระอย่างเดียว ถ้าเราเป็นชาวพุทธเบื้องต้นเราก็ต้องคิดถึงวัดถึงคิดถึงพระก่อนเพราะว่าวัดกับพระนี้เป็นที่พึ่งทางใจของพวกเราเป็นเหมือนบ้านทางใจเราก็ต้องสร้างบ้านทางใจให้สมบูรณ์ให้ให้มั่นคงเพื่อที่เวลาที่เราต้องการที่พึ่งทางใจเราก็จะได้มีที่พึ่งกันเวลาที่เราต้องการไปปลีกวิเวกไปหาความสงบอยนี้อยู่ที่บ้านมันวุ่นวายมันยุ่งยากมันยุ่งกับเรื่องนั้นยุ่งกับเรื่องนี้ บางทีเราก็ต้องไปวัดกันงั้นการทำบุญกับวัดก็เพื่อประโยชน์กับของเรานั่นเองเป็นการสร้างที่พึ่งทางใจให้กับเราเวลาที่เราต้องการที่จะไปหลบจากความทุกข์ต่างๆที่บุญนละศีลไม่สามารถที่จะป้องกันได้เราก็ต้องไปหาที่ที่เราจะต้องใช้การภาวนาเป็นการสร้างบุญสร้างความสุขเพื่อระงบับดับความทุกข์ต่างๆงั้นในเบื้องต้นถ้าเราเป็นชาวพุทธเราก็ต้อง มุ่งไปที่วัดที่ศาสนาก่อนเวลาเราทําบุญนะถ้าเราแต่ก่อนที่จะไปที่วัดที่ศาสนาเราก็ต้องมุ่งไปที่พ่อแม่เราก่อนพ่อแม่นี่เป็นบุคคลที่สําคัญอย่างยิ่งเป็นผู้ให้กําเนิดกับเราเราต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อท่านเพราะว่าถ้าไม่มีท่านนี้เราจะไม่มีชีวิตนี้เราจะไม่มีร่างกายนี้งั้นก่อนที่เราจะทําบุญกับใครที่ไหนนี้ขอให้เราดูที่พ่อแม่เราก่อนว่า ท่านอยู่ดีกินดีหรื อ, อยังท่านไม่เดือดร้อนหรือเปล่าถ้าท่านอยู่ไม่ดีกินไม่ดีเดือดร้อนขาดแคลนเราต้องดูแลท่านก่อนดูแลให้ท่านสมบูรณ์ก่อนให้ท่านสุขให้ท่านสบายตามมัตภาพของท่านให้ได้ก่อนพอเราดูแลพ่อแม่ได้แล้วเราถ้าเรายังมีเวลามีเงินทองเราอยากจะทำอะไรต่อก็ไปทำที่วัดก่อนดูว่าที่วัดขาดแคลนอะไรหรือเปล่า ถาวัดพร้อมเพียงบริบูรณ์ไม่ขาดแคลนอะไรที่เราก็เลือกไปทำอย่างอื่นก็ได้เราชอบทำอะไรอย่างไรที่ไหนก็ทำได้ทำกับโรงเรียนก็ได้ทำกับโรงพยาบาลก็ได้ทำกับสัตว์ที่เขาจะถูกฆ่าก็ได้ไปถ่ายชีวิตเขาหรือไปปล่อยนกปล่อยปลาซื้อนกซื้อปลาที่ตลาดที่เขาจะเอาไปฆ่ากินนี้เอาไปปล่อย อันนี้เราเลือกได้การทำบุญนี้ก็เหมือนกับการรับประทานอาหารการรับประทานอาหารเราก็เลือกอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ที่ถูกปากถูกใจเราแต่ผลที่ได้ก็เหมือนกันกินอาหารแล้วก็อิ่มเหมือนกันการทำบุญบางทีเราก็เลือกเลือกเรารู้สึกว่ามันทำให้เรามีความสุขใจอิ่มใจมากกว่าทำบุญบางอย่างบางอย่างเราถูกบังคับทำเราก็ไม่อยากจะทาก็มี เราเลือกได้ไม่ต้องเกรงใจเวลาใครก็มาเชื้อเชิญเราให้เราไปทําบุญอย่างนั้นบุญอย่างนี้ถ้าเราไม่ประทับใจเราก็สามารถไปทําอย่างอื่นได้ <Yes. S 1> ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เป็นบาปแต่อย่างใดนแต่ขอให้เราทําทั้งนั้นเองทําอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าปล่อยให้เอาเงินทองเก็บไว้เฉยๆน่าเสียดายตายไปนี่ไม่เป็นประโยชน์อะไรกับเราเลยก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นต่อไป คนเขาก็จะเอาไปใช้กินกันใช้เล่นอะไรของเขาไปแต่เราจะไปเป็นแบบขอทานเนี่ยที่สาเหตุที่พวกเราต้องมีการทำบุญอุทิศก็เพราะเวลาคนเป็นอยู่เนี่ยมีความตนหนีมีความหงงทรัพย์สมบัติเสียดายเงินทองคิดว่าทำบุญแล้วสูญเปล่าก็เลยไม่อยากจะทำบุญกันพอเวลาตายไปก็ไม่มีบุญติดตัวไปไม่มีอาหารไม่มีเงินทองไปซื้ออาหารทิพย์ทางโลกทิพย์กัน ก็อยู่แบบขอทานจนกระทั่งทนไม่ไหวคิดถึงลูกหลานคิดถึงญาติสนิทมิตสหายก็มาเข้าฝันมาขอให้ช่วยส่งบุญไปให้อันนี้แหละเป็นเพราะว่าเวลาที่อยู่ในโลกนี้ไม่ยอมทำบุญเงเสียดายเงินความตหนีความใจแคบทำให้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ทำบุญแล้วเลยเป็นการทำโทษตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวทำร้ายตัวเอง เพราะว่าไม่เตรียมทรัพย์สมบัติเอาเงินเอาทองที่เอาไปใช้ต่อในโลกทิพย์นั่นเองเะฉั้นขอให้เรามองเรื่องของการทําบุญแบบนี้แล้วเราจะมีกําลังใจที่จะทำํำแล้วพอเราทําแล้วเราได้สัมผัสกับผลอย่างที่ได้เล่าให้ฟังแล้วมันยิ่งทําให้เราเกิดความยินดีที่จะทํามากขึ้นไปเรื่อยๆบางคนี่เห็นหมั้นมีเงินบริจาคหมดเลยเก้าร้อยล้านให้กับโรงพยาบาลเน พอเขาไม่รู้ว่าอย่างเงินเก้าร้อยล้านไปทำอะไรลูกหลานเขาก็พอมีพอกินพออยู่กันได้เศรษฐีระดับโลกอย่างบิลเกตนี่เขาก็บริจาคเงินไม่รู้กี่กี่หมื่นล้านเหรียญเพื่อเป็นการเอาไปทำทำทำบุญช่วยเหลือคนยากจนในทวีปแอฟริกาในในประเทศที่ยากจนไปช่วยหาน้ำให้เขาไปช่วยหาวิธีรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆให้กับ คนที่เขาเดือดร้อนเนี่ยเขาก็เขาไม่ได้เป็นชาวพุทธแต่ใจของเขาก็เป็นชาวพุทธเนียคำว่าพุทธนี่ไม่ได้อยู่ที่ว่าจะต้องเป็นคนไทยอยู่ในประเทศไทยคนที่เป็นคนใจบุญนี่เราถือว่าเป็นชาวพุทธได้เพราะทําตามคําสั่งคําสอนของพรอพุทธเจ้านั่นเองที่นี้ก็คือเรื่องของการทําบุญขั้นแรกเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่สะดวกที่สุดแล้วถ้าเราไม่มีเงินมีทองเราก็ยังทําบุญได้อยู่ เพราะเรายังมีร่างกายถ้าเรามีเวลาว่างเราก็เอาร่างกา ย, ยาเรานี่แหละไปทําบุญได้ไปเป็นจิตอาสาไปช่วยทํางานสาธารณประโยชน์ต่างๆเช่นตอนนี้มีน้ําท่วมบางทีก็ต้องการคนไปช่วยขนข้าวขนของเอาไปแจกชาวบ้านที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเราก็อาสาสมัครไปทําอันนี้ก็ได้บุญเหมือนกันเป็นบุญที่เกิดจากการช่วยเหลือผู้อื่น บางทีเราไม่ต้องมีเงินมีทองเราก็สามารถสร้างความสุขใจได้ด้วยการเสียสละเวลาของเราเอาเวลาที่เราอาจจะเอาไปเที่ยวไปเล่นกันไปทาอะไรที่ไม่มีคุณมีประโยชน์นี้เอามาทำงานที่มีคุณมีประโยชน์แก่ผู้อื่นก็เรียกว่าเป็นการทำบุญทำทานได้เหมือนกันแล้วถ้าเรามีอย่างอื่นเราไม่มีเงินแต่เราเป็นอาจารย์เรามีวิชาความรู้ เราก็สามารถเอาความรู้นี้มาสั่งสอนเด็กเช่นมาสอนพิเศษให้กับเด็กก็ได้เพราะเด็กบางคนนี่เขาแข่งขันกันสูงเขาต้องมีการติวกันมีอาจารย์ช่วยสอนเพิ่มความรู้ให้กับเขาเช่นทางวิชาบางวิชาเช่นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือภาษาอังกฤษนี่เป็นวิชาที่เด็กต้องการที่จะเรียนต้องรู้ถ้าเราเป็นมีความรู้ในทางนี้ถ้าเราอยากจะทาบุญ เราก็เปิดสอนวิชาเหล่านี้ฟรีก็ได้ใครอยากจะเรียนคณิตศาสตร์ก็มาเรียนใครอยากจะเรียนภาษาอังกฤษก็มาเรียนโดยที่ไม่คิดสตังค์อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญเหมือนกันหรือถ้าเป็นหมอเป็นหมอแล้วอาจจะทำบุญด้วยการรักษาคนไข้ฟรีก็ได้วันวันไหนวันหนึ่งเปิดเปิดคลินิกฟรีสักวันหนึ่งเอาอยากจะมารักษาก็รักษาให้ฟรีหรือคิด5าบาทมีหมอคลินิกคลินิกหบาท เก็บแค่หบาทเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นการทำบุญเหมือนกันว่าเราไม่จำเป็นว่าจะต้องร่ำรวยถึงจะทำบุญได้ขอให้ใจเรารวยท้าอย่างถ้าใจเรารวยแล้วเ ร, เ, รเราชอบแบ่งปันเราชอบมีอะไรแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่นนี่เราสามารถทำบุญได้ตามกำลังของเราตามฐานะของเรามีมากมีน้อยก็ทำไปเถิดแล้วบุญนี้มันจะทำให้เรามีความสุขใจอิ่มใจ นี่คือเรื่องของการหาความสุขในขั้นต้นคือหาความสุขด้วยการทําบุญทําทานเมื่อเราทําบุญทําทานได้แล้วใจเรามีความเมตตาเราก็สามารถหาความสุขจากการรักษาศีลได้เพราะคนที่ทําบุญทําทานนี้จะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นและชอบช่วยเหลือผู้อื่นเพราะฉะนั้นการรักษาศีลห้าซึ่งเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นนี้ก็จะเป็นของที่ทําได้ง่ายเราก็จะไม่ชอบฆ่าผู้อื่น ไม่ชอบรักทรัพย์ของผู้ไม่ชอบประพฤติผิดปรเพณีไม่ชอบโกหกหลอกลวงคนอื่นไม่ชอบดื่มสุรายามเมามันก็จะทำให้เรานี่สามารถรักษาศีเาลเวลาเรารักษาศีลได้เราจะมีความสุขทุกครั้งที่เราจะช่อกงแล้วเราเปลี่ยนใจบอกไม่เอาดีกว่าได้เงินมาแล้วไม่คุ้มกับเสียไปทำให้จิตใจเราตกต่ำทาให้จิตใจเราต้องไปเกิดแนบายเราอย่าชบโกงดีกว่า ทำให้เราไปเป็นเปรตแต่เราชอบโกงลักทรัพย์ของคนอื่นนี้เราจะไปเป็นเปรตแต่ถ้าเราไม่ชอบโกงไม่ลักทรัพย์นี่เราจะไม่ไปเป็นเปรตถึงแม้ว่าเราจะยากจนแต่เราก็ยังเป็นมนุษย์อยู่หรือเป็นเทวดาจากการทําบุญอย่างอื่นมา้เราต้องคิดอย่างนี้และจะทำให้เรานี้กล้าที่ลักก้าที่จะรักษาศีลเวลาที่เรารักษาศีลได้แล้วเราจะรู้สึกใจของเรานีเย็นใจของเราสบาย ไม่มีไม่มีแผสไม่เป็นเหมือนวัวสันนังหวะคนที่ทําบาปนี้จะมีเหมือนกับมีแผลอยู่ในใจเวลาคิดถึงมันละียนก็จะมีความรู้สึกไม่สบายใจไม่ภูมิใจอับอายตัวเองบางครัง้งบางคราวที่ไปทําสิ่งเหล่านี้ไม่มีความสุขแต่เวลาที่เราฝืนความอยากที่จะทําบาปได้นี้เวลาเราทำได้แล้วเราจะรู้สึกภูมิใจมีความสุขใจว่าโอ้วันนี้เราไม่โกงได้นะ วันนี้เราไม่โกหกได้ <c oughs> วันนี้เราไม่ตบยุงได้ครับปล่อยให้มันกัดไปคิดว่าแบ่งปันอาหารเลือดเราก็เป็นอาหารเป็นการทำบุญทำทานให้กับยุงไปยุงมันก็หิวมันก็อยากจะมีอาหารกินก็ปล่อยมันกินบ้างถ้าเราทำได้ความสุขก็จะเกิดขึ้นได้ความสุขที่เกิดที่เกิดจากการรักษาศีล เกิดจากการไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วถ้าเรารักษาศีลห้าได้แล้วมันก็จะทำให้เราสามารถก้าวขึ้นสู่การภาวนาได้สร้างบุญสร้างความสุขที่สูงกว่าศีลสูงกว่าทานได้เพราะว่าการที่เราจะภาวนานี้เราต้องรักษาศีลเพิ่มอีกสาข้อนั่นเองแต่เมื่อเรารักษาศีลได้ห้าข้อแล้วอีกสามข้อก็จะไม่ยากเกินอะไรไม่กินอาหารหลังเที่ยงวัน ไม่ไม่ดูหนังฟังเพลงไม่ร้องลําทำเพลงไม่แต่งเนื้อแต่งตัวเท่านั้นเองแล้วก็ไม่นอนบนทีนนทนทท่นอนที่นุ่มที่ใหญ่ที่สบายนอนที่นั่งที่นอนที่แข็งที่นอนไม่ไม่สะดวกไม่สบายเพื่อจะได้ไม่นอนมากนั่นเองเป้าหมายของการถือศีลข้อแนี้เพื่อไม่ให้นอนมากเพราะเวลาเราภาวนานี่เราต้องเอาเวลาทั้งหมดที่เรามีอยู่ในแต่ละวันนี้เอามาให้กับการภาวนาน ให้กับการเจริญสติให้กับการนั่งสมาธิให้กับการเจริญปัญญาถ้ามีเวลามากก็จเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาได้มากถ้าเจริญได้มากก็จะได้ความสงบได้ความสุขได้มากขึ้นไปตามลำดับการที่จะมีเวลาก็ต้องมีการรักษาศีลแปดให้ได้นั่นเอง พราศีแลแปดจะห้ามไม่ให้เราเสียเวลากับการไปร่วมหลับนอนกับแฟนไม่ให้เราเสียเวลากับการไปกินอาหารมากจนเกินไปกินแค่มือ้อสองมื้อก็พอหลังเที่ยงวันก็ไม่ต้องกินแล้วก็ไม่ให้เราเสียเวลาไปกับการดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นีน่เอาเวลาทั้งหมดนี้มาให้กับการภาวนามาเจริญสติมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญาแล้วแต่ กำลังของแต่ละท่านว่าอยู่ในขั้นไหนถ้ายังไม่มีสติก็ต้องเจริญสติก่อนถ้ามีสติแล้วก็ไปเจริญสมาธิพอเจริญสมาธิได้แล้วถึงค่อยไปเจริญปัญญาต้องทาเป็นขั้นๆไปอย่าข้ามขั้นตอนเพราะมันจะไม่ได้ผลต้องทำเป็นขั้นไปขั้นต้นในการภาวนาก็คือฝึกสติให้กำกับใจให ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆด้วยการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปทั้งวันทั้งคืนหรือการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่าปล่อยให้ใจไปอดีตไปอนาคตให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายและเวลานั่งสมาธิก็ดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกก็ได้หรือใช้คําบริกรรมพุโทโธพุธโทโธก็ได้ถ้ามีสติใจไม่ลอยใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้เข้าสู่อัปปนาสมาธิได้ ได้อุเบกขาพอใจมีอุเบกขาก็จะมีกําลังที่จะไปเจริญปัญญาเพื่อที่จะไปต่อสู้กับความอยากต่างๆเพื่อไปตัดความอยากที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ต่างๆให้กับใจพอตัดความอยากได้หมดความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยากมันก็จะหายไปหมด พอความทุกข์หายไปหมดสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความสุขที่เรียกว่าเป็นความสุขของพระนิพพานนี่เป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดเป็นความเสื่อมที่อยู่คู่กับใจไปตลอดอนันตการนี่คือความสุขขั้นสูงสุดที่เราจะได้รับจากการที่เราฝึกฝนอบรมการปฏิบัติทางพุทธศาสนาคือทางภานศีลและภาวนาตามลําดับถ้าทําได้แล้วรับประกันได้ว่า จะได้ความสุขแบบนี้แน่นอนเพราะว่ามีผู้ทําแล้วได้ได้ได้กันเยอะแยะไปหมดพระอาหารหันตสาวกนี้ไม่ได้มีเพียงคนสองคนรูปสองรูปมีเป็นหนึ่งเป็นแสนเป็นล้านเป็นเพราะว่าเขามีศรัทธามีความเชื่อในคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าและพยายามปฏิบัติอย่างเพ่งคัดปฏิบัติแบบปฏิบัติมีปฏิบัติชอบสุ ป, ปฏิปันโนถ้าปฏิบัติได้แล้วรับประกันได้ว่า ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องได้รับผลอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องของการหาความสุขที่แท้จริงที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยาถาวาริวะหาปุราปาริกุเรติสาคลังเอวามววะอิโตชินงังเตตานังอุปกาปติ อิชิตังปฏติตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังปร a ะจันโทปนะราโสยธาณิโชติราโสยธาสัพพิติโยวิวัชานโตสัพพโรโควินัสตุ มาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปจายโนจตารูธรมาวาทานเตอายุวโนสุขังภาลั ใครอยากจะถามคําถามเชิญถามได้ในช่วงนี้ถามเองก็ได้เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือส่งข้อความเข้ามาทางมือถือก็ได้ทาง facebook ทางยู u ูบแล้วแต่สะดวกทางไหนก็วันนี้ผู้ติดตามทั้งทั้งหมดมีเท่าไหร่กันี้ทาง facebook พระอาจารย์สุชาติ451 YouTube พระสุชาติไลฟ์223 YouTube Dr.V Channel 116วิทยุออนไลน์7ครับฮาวิสิบหน้ากุฏิ141รวม957ค่ะ ถ, ถ้ามีคำถามก็เริ่มถามได้เลยเชิญ น, นามสกังค์คระอาจารย์พูดรดังเลยครับครับอาจารย์เอ่อ ตอนนั่งสมาธิครับแล้วก็จะมีความคิดที่แวบไปแวบมาผมจะเรียนถามว่าผมใช้วิธีการแบบนี้ใช้ได้ไหมนะครับคือผมจะมีการตัดแล้วก็ไม่นึกถึงมันแล้วก็ดึงเหมือนคล้ายๆดึงกลับเข้ามามีบางครั้งก็ประคองให้มันอยู่เข้าที่เข้าทางบ้างบางทีก็นิ่งสงบแล้วก็รวมแต่ก็จะอยู่ไม่นาน แล้วก็จะแส่สายไปแส่สายทีไรก็ถ้าบังคับได้ก็ตัดทิ้ง <c oughs> แล้วก็กลับเข้ามาแบบนี้ใช้ได้ไหมครับได้แต่มันก็จะได้แบบนี้ไปถ้าเราไม่เพิ่มกำลังของสติให้มากขึ้นวิธีเพิ่มกำลังของสติก็ต้องหมือนฝึกสติก่อนที่เราจะมาน้า <c oughs> เอาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยมาตื่นขึ้นมาก็ฝึกสติไปพุทโธไปหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไป อย่าปล่อยให้ใจคิดทำอย่างนี้ได้มากเวลานั่งสมาธิมันก็จะนิ่งได้นานแล้วพอเวลามันนิ่งก็อยู่กับมันไปเรื่อยๆอย่าให้มันคิดอะไรถ้ามันจะคิดอะไรก็หยุดมันแล้วก็อยู่ไปตรงนี้เรื่อยๆทางที่ดีถ้ามันมีดูลมได้ก็ดูลมไปแล้วพูดโทไปจะดีกว่ามันจะได้เข้าไปเรื่อยกว่าครับโอเคครับสาธุครับพระอาจารย์ คำถามจากหน้ากุติค่ะ 1. นึงการทำงานจะพิจารณาจากอะไรว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับงานว่าตัดสินใจถูกหรือผิดใช้หลักอะไรมาเป็นตัวพิจารณาคะใช้หลักผลเ <c oughs> ทำแล้วได้ผลก็ดีก็ถูกถทำแล้วไม่ได้ผลดีก็ไม่ถูกข้อที่สอง <c oughs> ถ้าหัวหน้างานไม่ชอบพยายามจับผิดตลอดจะต้องวางจิตอย่างไรให้ไม่เป็นทุกข์คะ เาคิดว่าเขาเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศก็แล้วกันเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ควบคุมดินฟ้าอากาศไม่ให้ฝนตกแดดดอกไม่ได้เขาจะดีไม่ดีชอบไม่ชอบก็เป็นเรื่องของเขาเราก็ทำใจเฉยๆไป <c oughs> คำถามจากชาวจีนคุณหวอหนิงหนิงในการดำรงชีวิตทั้งโลกในการทำตามความฝันเราจะพิจารณาอย่างไรในการที่จะตัดสินใจเดินหน้าหรือถอยหลัง ก็ดูว่าผลที่เกิดขึ้นจากการเดินหน้าหรือถอยหลังก็ดีหรือไม่ดีถ้าเดินหน้าดีก็เดินหน้าไปถ้าถอยหลังดีก็ถอยหลังไปคำถามจากคุณมัลติเวอร์ช u n ยูนิตี้ขอโอกาสครับสภาวะจิตของท่านอาราดาบดอุทกดาบดกับของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่างกันอย่างไรครับของท่านดาบดีท่านอยู่ในระดับสมาธิ ส่วนระดับของพระอริยนี้ท่านอยู่ระดับปัญญาโลกุตละธรธรมตา阿拉ดาบุตรนี้อยู่ในโลกิยธรรมยังติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดในใตใจพบแต่จิตของพาอาาระหลานของพระพุทธเจ้านี้อยู่ในโล ก, กุตละธรรมอยู่ในนอกโลกของการเวียนว่ายตายเกิดไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปส่วนอาลาบุตรทั้งสองท่านนี้ยังต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไป คำถามข้อที่สองอเคยฝันดีแบบอยากฝันต่อนานๆครั้งเพราะอะไรครับก็บุญเก่าที่เราทำมา น, นี่ไงไม่้ส่งผลให้เกิดความฝันที่ดีถ้าอยากจะฝันดีอีกก็ทำบุญเพิ่มสิไปทำบุญต่อเดี๋ยวก็ได้ฝันดีคำถามจากคุณตูตะ แม่อายุ94ปีสมองเสื่อมเวลาใกล้ค่ำทุกวันจะสับสนเพ้อและไม่นอนกระผมต้องให้ยาระงับอาการที่มีผลข้างเคียงคือซึมลงและหลับผลข้างเคียงยาที่ให้จะเป็นว่าผมก่อกรรมกับมารดาใหมครับก็ก็ อ, อยู่กับว่า <c oughs> มันเป็นคุณเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษกับมารดาถ้าเป็นโทษก็อย่าทําถ้าเป็นคุณเป็นประโยชน์ก็ทาํา หรือถามท่านก็นแล้วกันถามคนเจ้าของว่าเขาอยากจะกินก็ไม่อยากจะกินถ้าเขาไม่อยากจะกินก็ไม่ต้องให้เขากินถ้าเขาอยากจะกินก็จะดหาให้เขาไปคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามอนาคามีลกากาณได้นี้หมายถึงกามทางเพศหรือกามของรูปรสกลิ่นเสียงคะทั้งหมดเลยด้วเสียงกล็ดด้วย แต่ว่าจะมาทางตาหูจมูกลิ้นกายในรูปแบบไหนก็ตามก็จะไม่มีความยินดีตอบเลยไม่อยากดูหนังฟังเพลงไม่อยากจะดื่มจะกินจะอะไรทั้งนั้นไม่อยากจะร่วมเพศอะไรกับใครเรื่องของทางร่างกายนี้ตัดทิ้งไปหมดเลยทางรูปเสียงกลิ่นรสแต่สัมผัสได้ยังรับรู้อยู่ยังเห็นหนู่นเห็นนี่แต่ใจมันเฉยเฉยมันไม่มีความรักความชังความกลัวความหนง คำถามข้อท sure? ี่สองการถูกโกงนี้ถ้าคิดว่าทำบุญไปจะเป็นบุญได้จริงหรือคะเนื่องจากไม่ได้ประสงค์จะให้แต่แรกก็มันก็เหมือนเสียภาษีเราไม่อยากจะเสียแต่เราก็ต้องเสียนะก็คิดเสียว่าเป็นการเสียภาษีไปก็แล้วกันคำถามจากคุณน้ำจันทร์การภาวนาคือการนั่งสมาธิ ภาวนาพุโทโธใชไหมเจ้าคะและควรเริ่มต้นใช้เวลานานประมาณเท่าไรในการเริ่มต้นเจ้าคะ่ะภาวนาม่มีสองขั้นขั้นสมาธิกับขั้นปัญญาขั้นสมาธิเรียกว่าสามถะภาวนาทำใจให้สงบขั้นปัญญาท่านเรียกว่าวิปัสนาภาวนาทำใจให้ฉลาดขั้นแรกนี้ก็ต้องทำไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะสงบจะเย็นจะสบายจะวางเฉยได้ แล้วพอใจวางเฉยเป็นก็ไปฝึกทางวิปัสสนาสอนใจให้ปล่อยวางสิ่ ง, งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะสิ่งทางหลังทั้งหลายในโลกนี้มันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเพราะเราไม่สามารถควบคุมบังคับให้มันอยู่เป็นของเราไปได้ตลอดคำถามจากคุณประกายลูกยังสงสัยเกี่ยวกับการทำบุญกรถินทำไมบางท่านบอกว่าถวายเงินเป็นกถินบาปเจ้าคะ่ะ คือคำว่ากรถินนี่คือผ้าผ้าที่เอาไปตัดเย็บจีวรท่านั้นอย่งผ้าขาวนี่ก็ผ้ากรถินส่วนอย่างอื่นเขาเรียกว่าบริวารของที่มาแถมของแถมมาเรียกว่าบริวารจะมีเงินทองจะมีกระติจะมีขวานมีช้อนมีอะไรเป็นบริวารกรถิ่น คำ ถ, ถามจากคุณกลางถ้าเราเป็นคนถือศีลห้าแต่ในการทํางานบางครั้งต้องมีการชิมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพื่อที่จะนํารสชาติที่สัมผัสได้มาใช้กับงานของเราเราจะผิดศีลหรือไม่ครับถ้าจิตเราไม่ได้ยินดีในการชิมเพื่อขอให้มันเป็นแต่การชิมอย่างเดียวแล้วกัน <c oughs> อย่าชิมไปชิมมา <c oughs> กลายเป็นการดื่มไป <c oughs> หมดได้เลย นะคือสุรานี้ถ้าจะถือว่ารักษาข้อนี้ให้มันได้ร0 0ซมันก็ต้องไม่ไมแตะเลยไม่ว่าด้วยเหตุผลกลกไกใดเพราะปัญหาคือว่าพอมันแตะแล้วมันจะติดได้หยดแล้วอยากจะได้สองหยด2หยดสามหยดตามมาไปเรื่อยๆหือว่ากลายเป็นแก้วสองแก้วขึออ้นมะาเพราะนั้นถ้าถ้าอยากจะตัดปัญหาก็อย่าไปยุ่งกับมันเลยอย่าไปแตะต้องกับมันเลยดีที่สุด ใ น, นการรักษาศีลมันก็อาจจะถือว่ามีศิลผิดมากผิดน้อยหยดสองหยดก็อาจจะผิดเพียงจุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นนี่แต่มันก็มันอาจจะลามปามได้เหมือนไฟนะไฟที่จุดเพียงด้วยหน้ขีดกานเล็กๆนี่กลายกลายเป็นไฟป่าขึ้นมาร้อยไล่ทันไล่ก็ได้ยั้นให้ละมัณระวังอาพวกนี้เหมือนไฟปา่าเมื่อเราไปเริ่มแล้วมันจะขยายตัวได้อย่าประมาท การรักษาสีนี้ต้องอย่าไปก่อมาอย่าไปเปิดช่องให้มันเกิดขึ้นได้ดีที่สุดคําถามจากคุณตองกาแฟผิดสีห้าไหมครับไม่ผิดหรอกเพราะไม่ได้ทําให้เป็นมึนเมาจากคนเดิมการดื่มเแตงแต่ว่ามันอาจจะผิดสุขลักษณะดื่มมากเกินไปทําให้หัวใจเต้นหรือหัวใจมีปัญหาได้ทุกอย่างนะของที่เราดื่มเรารับประทานนี้มันมีประมาณที่เรียกว่าพอพอดี ถ้ามากกว่าความพอดีมันก็จะกลายเป็นโทษได้งั้นเราต้องรู้จักความพอดีว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วทางที่ดีถ้าไม่ดื่มได้เรายิ่งดีใหญ่เพราะประหยัดเงินด้วยไม่ต้องเสียเงินไปซื้อกาแฟมาดื่มเ<ม>พราะร่างกายมันไม่ต้องการกาแฟร่างกายมันต้องการน้ำที่มากับกาแฟนั่นเองที่เราดื่มเพราะเราหิวน้าแต่ดื่มน้าเปล่าแล้วมันไม่มันมต้องมี ก, กาแฟมาผสม แต่ควจริงสิ่งที่ตั้งนั่งกายต้องการก็คือน้ำบริสุทธิ์นี้ใช่น้ำเปล่าน้ำสะอาดอางนั้นถ้าเราอยากจะตัดปัญหาต่างๆเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรดได้ก็เอาแต่น้ำเปล่าหิวน้ําก็ดื่มน้ําเปล่าอย่างเดียวเวลารับประทานอาหารก็ยินดีตามมีตามเกิดมีอะไรก็กินมันเข้าไปอย่าไปจู้จี้จุกจิกอย่าไปเลือกอาหารชนิดนั้นชนิดนี้เพราะมันเป็นเรื่องของการไปติดพันกับรูปเสียงกลิ่นลดต่างๆ หมดแล้วหรอโอเคมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหม <Okay. S 1> อ่มถาอถามเข้ามาเลยมาเอาไมโครโฟนไปกราบนมสตากานค่ะพระอาจารย์หนูมีโอกาสฟังสู่มาค่ะที่ที่พระอาจารย์มี สูงกับกับาทางคนที่เข้ามาถามคำถามทีนี้หนูมีคำถามต่อคือเหมือนคนที่ใช้ชีวิตทางโลกมาตลอดแล้วก็เริ่มที่จะปฏิบัติธรรมทีนี้การการใช้ชีวิตนะคะมันก็จะมีการเปลี่ยนไปเช่นจากที่เคยอยากคบหาสมาคมกับเพื่อนฝูงก็ไม่ค่อยอยากคุยแล้วก็จริตทุกอย่างก็เปลี่ยนไป ทีนี้สมมุติว่าบางคนต้องต้องใช้ชีวิตอยู่กับคนในครอบครัวเขาก็จะมองว่าเราเปลี่ยนไปเช่นเราไม่อยากดูหนังฟังเพลงแต่เราก็ต้องอยู่กับครอบครัวหรือคนที่เขาชอบดูหนังฟังเพลงหรือเรามาเริ่มมาปฏิบัติธรรมแล้วก็เหมือนพ่อแม่ก็จะมองว่ามันมันมั น, ม, นมันสุดโต่งเกินไปไม้มหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเราจะต้อง วางใจแล้วก็ทําตัวอย่างไรให้ให้มันไม่มีปัญหากับกับคนในครอบครัวหนูไม่ได้หมายถึงเพื่อนนะคะพระพอาจารย์ก็เรามองว่าเราทำํำนั่นเราไปทําให้เขาเดือดร้อนหรือเปล่าค่ะถ้าไม่ทําให้เขาเดือดร้อนก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรค่ะก็ดูนั้นก็ปไปก็ดูไปแล้วก็ไปนั่งสมาธิของเรามันจะเป็นยังไงค่ะแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรปัญหาอยู่ที่เขามากกว่าเขาอยากจะให้เราเป็นเหมือนเขา แต่เราไม่เหมือนเขาแล้วจะทํายังไงค่ะ เหมือนหนูเพิ่งดูข่าวเมื่อวานที่เขาแชร์กันใน Facebook นะคะว่ามีตำรวจะคะเขาขอลาออกและเขาเขียนเหตุผลว่าเพื่อไปหามรกผลนิพพานนะค ะ, ะก็แสดงว่าอย่างนี้คือเขาเขาไปหลีกจากครอบครัวที่มีความพร้อมแล้วก็ไปสแสวงหาอย่างนี้ก็คือมันจะง่ายกว่าถูกไหมคะพระอาจารย์ใช่ก็เหมือนพระพุทธเจ้าทำไมท่านลาจากการเป็นกษัตริย์เพื่อไปบวชเป็นนักบวชก็เหมือนกันท่านตั้งารไปหามรุผลนิพพาน ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าเราถ้าอยากอยากจะจบภารกิจให้เหมือนครูบาพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะแสดงว่าเราก็ต้องเลือกแล้วก็ไปให้สุดทางถูกไหมคะเราถึงจะสำเร็จ ก็เหมือนสับรางรถไฟอ่ะค่ะที่อยู่ในรางเก่าอยู่มันก็ยังใบจุดจุดหมายปลายทางอันเดินอยู่ก็แสดงว่าถ้าหนูยังยังใช้ชีวิตทางโลกด้วยทางธรรมด้วยก็เท่ากับครึ่งคึ่งกลางๆ ก, ก็คือจะไปไม่สุดอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย์ก็ไม่ๆมันก็ต้องเป็นแบบนี้ไปก่อนค่ะแล้วค่อยๆสร้างพลังทางธรรมให้มากขึ้นค่ะจนถึงจุดที่เราสามารถตัดสินใจเปลี่ยนได้แล้วก็ไปก็คือทิ้งทางโลกแล้วก็ไปทางธรรมเลย อย่างนี้นก็มันก็อยู่ที่กําลังของเราว่าจะไปทางธรรมได้มากน้อยเท่าไหร่ค่ะ<า>ถ้ามีมากมากแล้วต่อไปมันก็ตัดได้เองค<า>่ะตอนนี้นความตายบ่อยๆไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทําให้เรามีกําลังที่จะตัดทุกอย่างได้ก็คือให้เราคิดตลอดว่าถ้าถ้าเราตายตอนนี้เราตายพรุ่งนี้เราควรจะต้องทําอะไรตอนนี้อย่างนี้เลยไหมคะพระอาจารย์อันนั้นก็มีส่วนได้อย่างว่าทุกคนก็ต้องตายค่ะ<า>วันใดวันหนึ่งก็ต้องพลาดพลาดจากกันค่ะไม่ได้อยู่ร่วมกันไปตลอด ก็คือเหมือนเราแค่เวียนมาเจอกันชั่วครา ว, าวเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดกับความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่แฟนเพื่อนอะไร่าค่ะหรือมันเหมือนเราไปไปที่สถานีรถไฟเนี่ยค่ะเราก็ไปเจอคนบนสถานีกันค่ะเดี๋ยวถึงเวลารถของใครมาเขาก็ขึ้นรถของเขาไปก็เหมือนกับไปเป็นไปไปรอขึ้นรถของเรา เพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมเราต้องนึกถึงตัวเราเป็นหลักถูกไหมคะอาจารย์ตัวเราเป็นหลักแต่ก็ไม่ละเลยหน้าที่ถ้าเรามีความรับผิดชอบกับผู้อื่นเช่นพ่อแม่ะแต่ถ้าพ่อแม่ก็อยู่ได้เขาไม่เดือดร้อนเราก็ไปได้ก็คือเรารับผิดชอบทางโลกแล้วก็ทางธรรมคือเราต้องนึกถึงตัวเราเป็นหลักถ้าอะไรที่มันมันขัดขวางทางธรรมต่อการปฏิบัติเราก็ต้องตัดแล้วก็ตัดแล้วก็ละอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย์ก็ใช่เวลาเราไปเที่ยวทำอย่างนั้นไม่คิดถึงว่าเราไป พอจะไปปฏิบัติธรรมสาวันนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมพอไปเที่ยวญี่ปุ่นรักษาวันนี้เป็นเรื่องสบายมากโอ้ปฏิบัติธรรมคิดหนักเลยนะสามวันก็นั่นแหละมันอยู่กิเลสมันหลอกเขามากกว่าความจริงเราเราจะทําความดีแต่ละครั้งนี้มามันจะมาขวางก็ช่วงหลังหนูฟังเทศพระอาจารย์พระอาจจะพูดถึงว่าอย่าเกรงใจคนให้เกรงใจธรรมถูกต้องถ้าเกรงใจคนก็ทําก็แหละก็จะไม่ได้ทํา ค่ะเราไม่เอาใจคนค่ะถ้าเราต้องการทำเราก็ต้องไม่เกรงใจคนคะต่ใดที่เราไม่ไปทำให้เขาเดือดร้อนนั้นเขาจะเดือดร้อนนีงก็เรื่องของเขาไปใช่ไหมแต่เราไม่ต้องเอาใจเราไปข้องเกี่ยวใช่แล้วก็อยู่ของเราไปถ้ายังอยู่ร่วมกันอยู่ก็อยู่กันแบบแยกกันอยู่ไปค้า อ, อยู่ห้องแล้วก็อยู่ห้องหนึ่งกัน เขาไม่เสียหายตรงไห น, นค่ะเรามีหน้าที่ต้องร่วมทําทํากันในบ้านเราก็ทําไปค่ะต้องการช่วยกันกว่าบ้านถือบ้านทํากับข้าวหรือทำอะไรที่มีความจําเป็นจะต้องทําก็ทําไปค่ะแต่เวลาจะสังสรรค์กันแล้วก็แยกของเราไปเขาจะดูหนังเขาปล่อยเขาดูไปค่ะอาจะนั่งสมาธิแล้วก็ไปนั่งสมาธิค่ะขาจจะไปฟังทำฟัง youtube อะไรล้วก็ไปทำํำด้วยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรค่ะ ก็ยังนักกันเหมือนเดิมอยู่มีความเมตตาต่อกันเหมือนเดิมมันอาจจะมีแค่ความรู้สึกว่าพอเราเราความรู้สึกเราเปลี่ย น, นหรือว่าเขารู้สึกว่าเราไม่ไม่ได้ทําเหมือนที่เขาทํายมนันก็ส่วนใหญ่นั้นมันกิเลสของเรามากกว่ามันก็เป็นกิลเลสเราใช่ไหมคะใช่ถ้าเราไม่มีกิลเลสเราก็เฉยๆไปเราก็เข้าใจเข า, าเขาก็เป็นธรรมดาเขาก็ต้องรู้สึกบ้างว่าเราแปลกไปเพราะเราแปลกไปเราเปลี่ยนไปแต่เราก็คุยกับเขาได้บอกนี่พี่พี่ตอนนี้เหมือนกับคนที่เขาเปลี่ยนเพศใช่ไหม เมื่ก่อนฉันเป็นหญิงเดี๋ยนั้นเป็นชายแล้วจะทายังไงก็ชั้นชอบอย่างนี้แหละนะก็บอกเขาพี่ตอนนี้กําลังเปลี่ยนเพศเปลี่ยนจากทางโลกมาทางธรรมก็คือต้องดับที่ตัวเร า, าไม่ดับที่อื่นจากค า, า, ารวะมันเป็นหน้าปวดทใช่ไหะก็แค่นะคคบอกเขาไปไม่น่าจะมีเสียไม่มีปัญหาอะไรถ้าอธิบายกันคุยกันให้เข้าใจค่ะ เาะนี่มันเป็นวิธีหาความสุขของเราของเขาหาความสุขจากการดูหนังฟังเพลงก็ดูไปเขาก็ไม่ได้ผิดใช่ไหมอ่ะไม่ผิดอะไรตรงไหนค่ะต่างคนต่างหากันไปเพราะสุดท้ายก็ต่างคนต่างไปก็สรุปว่าเขาหาความสุขปลอมเราหาความสุขจริงเลยแต่เขาไม่รู้ว่าเรากําลังหาความสุขจริงค่ะเขาไม่รู้ว่าเขากําลังหาความสุขปลอมเพราะงั้นเลยค่ะขอบคุณค่ะพระอาจารย์ เอาเลยสองคำถามแล้วก็จบนะครันนคำถามจากคุณผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นเห็นธรรมการที่ผมสุขก็ดีทุกก็ดีเกิดจากการนึกคิดปรุงแต่งใช่หรือไม่ครับเกิดจากความอยากความอยากที่ความคิดปรุงแต่งไม่นทานความอยากอยากเที่ยวแล้วไม่ได้เที่ยวก็ทุกอยากมีแฟนแล้วไม่ได้ไม่ได้แฟนก็ทุกอันนี้อย่าไปอยาก ถ้าไม่อยาก้วก็จะไม่ทุกข์คำถามจากคุณน้ำชาถ้าเราปฏิบัติธรรมและพยายามพาคุณแม่ปฏิบัติแต่ท่านยังไม่พร้อมเราควรมีแนวทางที่จะบอกท่านให้เห็นประโยชน์ได้อย่างไรบ้างเจ้าคะให้ท่านฟังเทศฟังธรรมไปเรื่อยๆต้องศึกษาศึกษาบ่อยๆฟังบ่อยๆแล้วพอเกิดความเข้าใจว่าทำแล้วจะได้อะไรท่านก็อาจจะเข้าใจแต่ถ้าท่านไม่เข้าใจก็ถือว่า เป็นเรื่องของจิตใจของท่านยังไม่พร้อมปัญญายังไม่ถึงก็ต้องเป็นไปตามบุญตามกรรมของท่านเอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิด